ไปทอดกระถินถึงเชียงใหม่ทอดเสร็จก็กลับมาลงเครื่องก็มากันนี่เลยทีนีต้ตามธรรมดาเนี่ยขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเวลาเขียนได้ทีนี้ไอ้ที่นั่งมันนิดเดียวอะ่ะมันเลยเขียนไม่ได้เทียวนี้เลยเขียนไม่ได้ <c oughs> อันนี้สำหรับวันนี้ยังข้องใจเราก็จะได้อธิบายาก่นนิวไปก่อนว่า <c oughs> จะอธิบายถึงเรื่องไอ้กระแสะจิต เ, เรื่องของกระแสะจิตเนี่ยเราควรที่จะต้องเข้าใจกัน คือกระแสจิตเนี่ยเวลาที่เราตรวจน้ำอันที่ไปถึงปิดามันดาปุยญาตายายที่ร่วงรับไปแล้วนี่มันไปถึงได้อย่างไรอันนี้คือแม้ว่าเพียงเรานึกเราไม่ได้ออกเสียงเลยเราก็นึกเอาเท่านั้นอันนี้สำหรับการที่ เราติดต่อกันอยู่ทั่วันนี่เราใช้ความนึกคิดเขาเรียกว่าคิดถึงคขาว่าคิดถึงนั่นน่ะมันก็หมายถึงกระแสจิตที่คิดไปถึงทีนี้อย่างที่สถานที่ที่เราไม่เคยไปแต่เราก็คิดแล้วมันคิดไปถึงได้อย่างไรอันนี้มันมีเช่น อย่างที่เรานอนฝันอย่างนี้พอเวลาฝันแล้วเนี่ยมันก็ไปเห็นแต่ทีนี้สำหรับฝันเนี่ยไอ้ภาพถ่ายมันถ่ายไว้ในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่มันไม่ใช่กระแสมันไม่ใช่กระแสที่ไปเหมือนอย่างเรานั่งนึกคิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ย ไอ้กระแสอันเนี้ยมันจึงได้ออกจากตัวของเราทุกคนคือกระแสเนี่ยที่ว่ามันออกเช่นเรานั่งสมาธิรวมกันอย่างเนี้ยกระแสมันออกจากปุพเสงค์คือความเตั้งใจอันนั้นเช่นอย่างการตั้งใจทําสมาธิอย่างนี้แล้วก็ไปรวมหยุดจุดเดียวกันอันนี้คือกระแสของความคิด เพราะฉะนั้นไอเรื่องกระแสอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เรียกว่าเอาอะไรตามไม่ได้เอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามกระแสจิตอันนี้มันตามไม่ได้อย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าเราทําสมาธิเนี่ยไอกระแสจิตเหล่านี้มันตามได้มันเกิดตามได้ขึ้นอันนี้หมายถึงว่า แน่พูดที่สามารถสัมผัสกับอาทิสมันกายคือจิตเนี่ยมันเข้ารวังแล้วมีตามรู้ควพวังตามรู้อยู่เนี่ยพอเข้าสัมผัสกับอาทิสมันกายได้เยอะมันจะเกิดลักษณะหนึ่งขึ้นมาในตัวของเราเนี่ยลักษณะนั้นคือมันจะรู้เอกเสลความคิดอันนี้ที่ออกไป แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราไปรู้ว่าแม่ยางหลวงปู่มัน่นเช่นเนี่ยไปตรวจดูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้ได้ทุกขณะและทุกอย่างและทุกคําแต่ว่ารู้ว่ากระแสนั้นจะเป็นกระแสดีหรือว่ากระแสเลวอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นอาจอาจจะกําหนดได้คร่าวๆในเมื่อเ อ, เอพละลังจิตนี่มันเกิดสูงขึ้น อันนี้อันนี้พูดเสือไว <c oughs> เรื่องของกระแสจิตก็คงพูดไว้เท่านั้นก่อน <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสมาธิกับการหลงผิดข้อนี้ควรระวังเพราะการเกิดขึ้นกับสมาธินั้นละเอียดอ่อนมากเนื่องด้วยการกําจัดอารมณ์ออกไปได้จิตนี้จะเกิดความผ่องใสความผ่องใสนี้เอง ทำให้เกิดความลึกซึ้งอัศจรรย์นานัประการที่เราไม่เห็นก็จะได้เห็นจึงเกิดสัญญาวิปลาสคือความหลงผิดเข้าใจผิดสิ่งนี้คือมรรคผลนิพพานนรกสวรรค์สำเร็จฌานนั้นๆหรือเข้าใจว่าวิเศษตลอดจนเราเข้าใจว่าเราได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลเป็นต้นแต่ที่เป็น น, น, นั่นคือเพียงสัญญาถ้ามายึดติดหรือหลงอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับหลงสัญญาและสัญญานั้นในสัญญาขั้นนี้มันก็น่าหลงเพราะว่าการแสดงชัดเจนของจิตนั้นชัดเจนมากและสิ่งแปล ก, ปล ก, ปลกให ม, ใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่หน้าทึงทั้งสิ้นดังนั้นถ้าจิตไม่มั่นคง หรือขาดพูดตักเตือนอาจจะหลงผิดไปว่าเป็นความจริงแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เลวเป็นการแสดงถึงสิ่งที่น่าปลื้มใจมีความสุขด้วยและการเข้าใจผิดหรือติดข้องอยู่ในที่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าทำให้เกิดเป็นอุประทานในสมาธิ ทำให้ต้องเกิดความราช้าต่อสมาธิไปซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงกำหนดเป็นวิปัจนุปกิเทศไวอันนี้อันนี้ก็มันมีอยู่เก้าข้อด้วยกันในเก้าข้อเหล่านี้นมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้ท่านไม่ให้สิดในสิ่งที่ดี ดังกล่าวแล้วว่าโภาดหมายถึงแสงสว่างในจิตมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนบรรลุที่พระจักรสุยานในข้อนี้ น, นั้นน่ะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความเรียกว่าเห็นล่องโถง ม, มีอะไรเห็นบางทีก็เห็นนั่นเห็นนีนน่อะไรต่างๆเหล่านี้ อ, อันนี้ถ้าหลงเนี่ยบางท่านไม่ให้หลงคือพยายามไม่ให้เกิดถ้าหลงแล้วเกิดเป็นจิตวิปลาสขึ้นแล้วก็จะพูดให้ฟังเลยว่าทั้งสิบประการคือยานหมายถึงความรู้เฉียบคมใครมีเหตุผลไม่จิตขัดทำนายได้ถูกต้องหมด สปีติหมายถึงความเอิบอิ่มของกายและใจมากกว่าปกติทำให้จิตมีประกายคล้ายกับคนจากกิเลสอาสวะแล้วปัจสัทธิหมายถึงความสงบได้แก่ความสงบระงับพักอยู่ไม่เจริญในปัญญาต่อไปและติดใจในความสงบนั้นสุขหมายถึงความสบายใจความปลอดโปรง่ง เป็นไปอย่างสุขุมและสม่ำเสมอเพระหนึ่งจะพ้นทุกเด็ดขาดหกนทิมโมกตามรูปสับแปลว่าพน้นความพ้นของจิตปรากฏเด่นชัดคล้ายกับพ้นจากกิเลสอาวะแล้วโดยเด็ดขาดแต่โดยความหมายแล้วหมายถึงน้อมใจเชื่อคือประสบโดยปรัศจากยานข้อเจ็ดหมายถึงความเพียรข้าหารเด็ดเดี่ยว ระครองใจให้อยู่ในระดับสูงไม่ให้จิตตกสู่ผวังเลยแม้แต่น้อย 8. ดอุปทานหมายถึงสติมั่นคงกำกัดจิตไม่ให้ค้างเผือเหมือนมีสติภัยบุญเสมอเกอุเบกขาหมายถึงความวางเฉยในอารมณ์มีจิตเป็นกลางเที่ยงตรงส0นิกันติหมายถึงความรู้สึกพอใจในจิต คล้ายจากค้นอํานาจของมานมีพรากฏอยู่บ่อยๆว่ามีคนทําสมาธิแล้วสําเร็จโดยที่เข้าใจตัวเองว่าสําเร็จแล้วประกาศตนหรือบางคนเห็นอะไรแปลกๆคิดว่าสําเร็จอและเห็นว่าอาจารย์ตั้งให้ต้องสําเร็จซึ่งจะเป็นญาณบ้างเป็นฌานบ้า ง, นานางหน้าที่นี้ต้องระวังให้ดีเพื่อไม่ให้ เกิดขึ้นซึ่งความผิดพลาดเพราะเกิดความผิดพลาดแล้วก็แก้ยากที่สุดด้วยเหตุว่าผู้เข้าสมาธิได้แล้วมีอะไรอะไรเกิดขึ้นจะเชื่อมั่นและมีทิฐิแรงมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในสมาธิเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่จะต้องปรับปรุงให้ดีฉะนั้นการศึกษาเอ่อ ข้าวั้นนี้จะต้องรู้อะไรอะไรละหลายอย่างทั้งแบบแผนและทั้งประสบการณ์ของดีนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าหากบุคคลเข้าใจและฉลาดสามารถแปลสภาพสิ่งนี้ให้มีการเพิ่มคุณค่าอีกเยอะแต่ถ้าได้ของดีแล้วแปลสภาพไม่เป็นโดยเอามาทำแบบไม่เข้าใจข้อเท็จจริง ก็เลยหมดค่าอย่างน่าเสียดายแม้จะเสียดายก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้จึงเป็นความรู้ที่จะต้องใช้หลักความจริงความจริงคือพลังจิตเราอาจจะเผลออาจจะเผลอไปเมื่อพบสิ่งที่มีความสุขหลายๆประการพลังจิตนั้นจะต้องย้ำว่าต้องการมากที่สุดปรากฏการต่างๆในขณะที่ มีการคุมกำลังนั้นเป็นสิ่งที่ทำใจเราให้หลงไหลได้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับการที่เราเดินทางไปขุดรอยมรกตที่จังหวัดจันทบุรีนั่นคือเป้าหมายใหญ่เราเดินทางไปพร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมที่จะไปขุดรอยมรกตซึ่งหน้าที่นั้นมีรอยมรกตอย่างมากมายแต่เราเดินทางไปถึงชนบุรี พบกับที่ดินมีดินดำน้าชุ่มอะไรก็ว่ากันไปและแล้วก็ปลูกมะพร้าวอ้อยเสียเพลินเลยคิดว่านี่คือพลอยมรกตหรือมิฉะนั้นก็คิดว่าน้ําตาลหวานดีเลยลืมไปว่าเป้าหมายคือพลอยมรกตก็ต้องย่ําต๊อกอยู่ที่จังหวัดชนบุรีแท้จริงก็ดีอยู่เรา ก็คงแค่พอกินแต่ไม่ได้เป็นเศรษฐีเป้าหมายคือเศรษฐีถ้าไปถึงจังหวัดจันทบุรีพูดมานี้เป็นคําเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าเป็นของจริงอเปรียบเอาเปรียบเทียบเอถึงความหลงผิดในสมาธิเพราะฉะนั้นอก็จะต้องอจับใจความในข้อนี้ไว้ว่ า, อาของดี แต่ถ้าหาว่าเราไม่รู้จักใช้ของดีนี้ให้ให้สำเร็จก็เท่ากันกับว่าเราได้ของดีแต่เราก็ใช้มันแบบทิ้งไปเลยอย่างนี้เหมือน ก, นกันกับคนที่เอเอพวกเอขเมขเมรเขมรที่อยู่บ่ให้ลิน ถ้าเม้นที่อยู่บอิพิรินเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่นั่นคื อ, เ, อเขียวพยรินเขียวพยรินก็คือมอรกรเม็ดเท่าศีรษะแม่มือเนี่ก็ไม่รู้กี่ล้านอย่างนี้เป็นต้นในครั้งนั้นก็มีพวกกุลากุลาเนี่ยมันจะเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศพมา่า และมันก็ไปขายผ้าพอมันไปขายผ้าเนี่ยแล้วมันก็ไปเห็นไพลินเนี่ยหมายความว่าอไพลินเนี่ยก็เรียกว่าพลอยไพลินเนี่ยคุณลางก็ถามว่าไอ้หินพวกนี้มันอมันมีที่ไหนอะ่ะพวกขเมงก็บว่าก็เยอะแยมันเก็บเอามาใส่ไว้ในเชือกมากอ่ะพวก แต่กุลาเคยบอกว่าเอาสิษเอาหินเนี่ยมาแลกผ้าไออหินมาแลกผ้าไอพวกนั้นก็ดีใจได้ผ้าพวกกุลาไม่ต้องซื้อไปขนหินมาให้กุลาแล้วมาขนหินกุลาก็เอาหินเนี่ยห่อไปเป็นตันนี่พวกเนี้ก็ได้ผ้าไปนุ่มเสร็จแล้วที่สุดคืออะไรไอกุลาก็กลายไปเป็นเศรษฐีที่มอระแมง ที่ประเทศพม่าเนี่ยแล้วก็พวกเขมงก็ได้ผ้าสายไฟไม่ช้า ก, ก็ขาดหมดแล้วแต่ว่ากุหลาบไปเป็นเศรษฐีซะแล้วคือมันไม่รู้นะเพราะว่าไพลินเนี่ยอข้างนอกมันก็คือหินธรรมดานี่เองแต่ว่าข้างในมันคือไพลิน เ, เนี้เช่นเดียวกันกันกบคนทําสมาธิท่านถึงบอกว่า สิบประการนี้ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบนี่เ้าเรียกว่าวิปัสโนภิกเลสแต่วิปัสโนภิกเลสนั่นนะ่ะกิกเลสเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คนไปสบนรกแล้วก็ไม่ได้ทำให้คนบาปแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปแต่ว่าเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเอามรากดไปแลกฆ่าอย่างเงี้ยซึ่ง มืเรากดก้อนเดียวเท่านั้นน่ะมันมากกว่าผ้าที่กุหลาดเอาไปตั้งร้อยคนอย่างเนี้ย <c oughs> แต่ที่ไหนได้กุหลาดเอาเอ่มเรากดเนี่ยไปตั้งเป็นหมื่นหมื่นเม็ดน่ะอ่าไอ้พวกนี้ก็ไปขนมาก็ขนหินมาให้เขาอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือเออเราก็เปรียบเทียบว่าคนที่ทําสมาธิเมื่อเราต้องการความก้าวหน้าเราไม่ได้หยุดยั้งอยู่แค่นี้ เราก็ไม่เอาละแค่นี้เราไม่เอาเราจำเป็นที่เราจะต้องหาทางแก้ไขอย่าไปหลงโอภาษอย่างที่บอกว่าโอภาษ์อย่างเงี้ยมันก็สว่างมองมันก็เห็นจริงๆแต่นั่นไม่ใช่เอะไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เราตัดกิเลสได้อันนี้เราว่ากันถึงแต่ขั้นสูงต่อไปนะ <c oughs> อันนี้ ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าวิปัสณูปะกิเลสคือว่าจะไม่อยู่ละในในโลกนี้ฉันจะต้องการพ้นจากกิเลส จ, จริงๆเมื่อต้องการพ้นจากกิเลส จ, จริงๆก็อย่ามาหลงอยู่ในสิบประการนี้ท่านบอกไว้ว่าอย่ามาหลงในสิบประการนี้หมายความว่าเมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้ว เราจะแปลสภาพสิ่งเหล่านี้ให้เกิดค่าขึ้นเช่นอย่างเราได้สมาธิมาแล้วเนี่ยเราจะแปลสมาธินี่ให้มันมีค่าให้มีค่ามากยิ่งขึ้นในขณะที่ว่าเช่นอย่างจะมีใครสักคนนึงเนี่ยเกิดขึ้นมาเรียกว่าได้โอภาษ์ขึ้นมาหรือว่าได้ที่โมกขึ้นมาอย่างเนี่ยเขาก็จะต้อง แปลสภาพตัวของเขาเนี่ยให้พ้นจากกิเลสไปพระนิพพานเราไม่ต้องกลับคืนมานี่อีกนี่คืออ่าอุดอมการชั้นสูงของพระพุทธศาสนาต้องการให้คนพ้นุกไปอย่างนี้อั <c oughs> นนี้มาพูดกันตามปกติต่อไปอันนี้พูดชั้นสูงไปแล้วเดี๋ยวใครก็จะว่าเราเนี่ยเอออ่ มีแต่จะพากันหมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะดูถูกเราแต่เราก็เขาจะดูถูกเราไม่ได้เพราะว่าเราก็สอนวิปัสนาเหมือนกั น, เ, นเรียกว่าวิปัสโนปิเลสอันนี้ไม่ใช่ว่าจะสอนอนักศึกษาทั้งหลายให้บวดเป็น ถ้าเป็นชีกันหมดนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าบอกขนทางไว้ว่าไอ้การหลงผิดเนี่ยเข า, เาแสดงถึงวิปัสจุประกิเลสไว้สิบประการอันนี้เขาต้องการที่จะให้จิตนี่หลุดพ้จากอาสวะกิเลสจริงๆเขาจึงไม่ติดอยู่ในในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอย่างเงี้ยทั้งสิบประการเนี่ยถ้ายังติดอยู่ในที่นี้เขาก็ ถือว่ายังทําจิตให้ดุจพ้นไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งดีแต่ไม่ให้ติดของดีเท่านั้นเองเหมือนกับว่า เ, เราเพูดกันว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงสึ่งมรรคผลนิพพานเถิดอันนี้คือความปรารถนา อ, อ, อย่างอิทั้ง เมพันเจโหหิหิตทางเมอะไระะเราเว้ยเวลาก็ถวายทานะ น, านะนิพานาปัจโยโหตุนะ่ะสุทินังวัจเมทานังอาสวาขยาวหังนิพพานังโหตุนี่สุทินังวัจเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุนั่น า, า, าวะา ว, ง, า ง, าวางั้นข้าพเจ้า ได้ถวายทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงสิ้นจากอาสวะถึงสิ้นพระนิพพานเทิดเนี่ยเราจะได้ยินคนที่เออคนเออแต่ก่อนเนี่ยเวลาก่อนเขาจะถวายทานเนี่ยเวลานี้เราถวายทานกับสังฆทานน่ะเอเอเ อ, อิมานิเพิคุสังฆะาอโนชยามะสาธโนพันเตพิกขุสังโค ยมาเนัตตาเนสปริวรารเนปฏิคันหาสุอัมหากังที่ฆาตตังหิตายะสุขายะที่ข้เจ้าถวายทานแก่พระอาหารแก่พระสงฆ์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเหตัยยะมีประโยชน์สุขายะมีความสุขนิพพานายะเราตัดไปจ่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเอา่าเราตัดไปจ่อยแล้ว <c oughs> แก่อนนั้นเขาจะมีว่าสุทินนางวัจเมทานนางอสวะขยาวหังนิพพานนางโหตุอทานที่ขุนเจ้าได้ให้ดีแล้วนี่อขอให้ขุนเจ้าพ้นจากอาสวะขอให้ขุนเจ้าถึงสิ่งพระนิพพานเถิเอก็คงจะมาในข้อนี้แหละข้อวิปัสสนานี่หละยเพราะว่าพออธิบายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย เพื่อที่จะให้นักศึกษาเรานี่เข้าใจข้อนี้ไว้แต่เดี๋ยวเขาเข้ามาถามเรื่องทำยังไงวิปัสนาภิกิเลนี่มันอะไรกันแน่เราก็ไม่รู้เรื่องวิปัสนาภิกิเลสก็หมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความลาช้าของการดำเนินวิปัสสนานั่นเองแต่ต้องเข้าใจว่า วิปัสสนูปกิเลสเนี่ยมันนอไม่ทำให้ใครไปตกนรกถึงเขาจะมาหลงในที่นี้ก็ไม่ไปตกนรกแต่ว่าเขาจะไม่สามารถกาจัดกิเลสได้เท่านั้นแล้วเขาก็ไม่บาปอย่างนี้เป็นต้นในทั้งสิบข้อนี่และทีนี้ก็จะพูดถึง สมาธิที่หลงผิดตามปกติทีนี้จะพูดปกติหล่วว่าคำว่าสีเท้ายังรูพลาดนักฝาดยังรูพรังยังเป็นการใช้ได้ในเรื่องของสมาธิเนื่องจากการทำสมาธินั้นเมื่อเกิดการผิดพลาดก็ย่อมจะมีผลอย่างอย่างหน้าพิษโวงเหมือนกัน เพราะเมื่อมีการให้คุณก็ต้องมีการให้โทษณที่นี้ต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งการให้คุณในเรื่องสมาธิเราได้พัฒนามามากแล้วแต่เริ่มต้นในบทนี้ก็จะพรณนาถึงโทษของสมาธิจิตของคนเรานั้นประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงสามประการนี้เป็นตัว ก็ให้โทษคือสมาธิเนี่ยมันมีให้โทษที่เราพากันทำอยู่เนี่ยแต่โทษของการเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเมื่อทำลงไปแล้วมันจะบาปตกนรกไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้ความรอบเ อ, อ่อความรอบให้โทษอย่างไรในเมื่อความรลบเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความอยากเพิ่มขึ้น อย่างหาประมาณไม่ได้ผู้ทําสมาธิในเบื้องต้นจะต้องพบกับความอยากคือความโลภเพราะต้องการจะเอาให้มากให้เร็วจึงเกิดความอึดอัดขึ้นในเมื่อมันไม่ได้สมความหวังมีการกระวนกระวายจนต้องคิดเสียใจและตัดพ้อต่อว่าตนเองบ้างสิ่งรอบตัวเราบ้าง ถ้าต้านได้ก็ดีไปถ้าต้านไม่ได้ก็ร่มเลิกจากสมาธิอันนี้เป็นอันว่า เ, เกิดโทษขึ้นมาแพ่โดยสิ้นเชิงยกเลิกไปเลยอยางนี้ <c oughs> หรือบางคนอยากจะทรมานตนแบบไม่คิดชีวิตหมายความถึงเอาเป็นเอาตายเสียสุขภาพแล้วก็หมดโอกาสที่จะทำต่อไปอันนี้ความโลคที่เกิดขึ้นของสมาธิ สิงเหล่านี้อาจเป็นไปได้การแก้ต้องใช้การเดินสายกลางเพราะว่าเราต้องทำสมาธิตามความเป็นจริงคือการทำสมาธิตามความเป็นจริงนั้นได้แก่เมื่อเราทำเท่านี้มันต้องได้เท่านี้เมื่อทำเท่านี้มันต้องได้เท่านี้หมายความว่าในระยะต้นระยะกลางระยะสูงมันจะต้องเป็นไปตามปกติ เราจะไปทะเยอะทะยานให้มันมากกว่านั้นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันกับเราปลูกต้นไม้ต้องยอมรับสภาพความจริงคือให้มันโตไปตามลักษณะการของมันเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราใส่ปุ๋ยและรดน้ำเมื่อเราใส่ปุ๋ยและรดน้ำเม็ดต้นไม้มันก็จะโตขึ้นตามปกติเช่นเดียวกับการทำสมา ธ, ธิมันจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าเราจะโลภอยากได้แล้วก็ทำเอาเป็นเอาตายแล้วก็เออเพราะมันไม่ได้อย่างใจก็เกิดการทอดแท้อันนี้คือความโลภเออทีนี้ความโกรธความโกรธนี้มันก็จะมีมีโทษอย่างไรหมายถึงว่าความหุนหันพันแล่นหรือโมโหตัวเองว่าทำอะไรไม่ได้อย่างใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความโกรธ เกิดความกระวนกระวายตลอดถึงโทษตัวเองว่าเราไม่มีบุญมีวาสนาการเป็นเช่นนี้เพราะเกิดความชังตัวเองขึ้นเนื่องจากสมาธิไม่เป็นผลในกรณีนี้เป็นเรื่องพยายามที่จะสุกกรามซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำสมาธิผู้ทำสมาธินี่ต้องระ ง, งับความโกรธคือโกรธตัวเองเอ แต่ว่าการที่เราจะพยายามทำให้สุขก่อนหามนั้นไม่ได้ในฐานะที่เรามาทำแค่นี้เราจะเอาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้สงความประสงค์เหมือ น, นกันกับเรามาทำบุญบอกว่ า, วาจะทำบุญเนี่ยสองพันบาทบาสไม่น่าขอให้ถุกเตอรี่ร0อยล้านอะไรอย่างเงี้ย ออย่างนี้ไงออย่าง น, น, นี้มันเป็นไปไม่ได้อ่ะอลงทุนนะสองพันจะเอาร้อยล้านเนี่ยอเพราะฉะนั้นทีนี้พอไม่ได้ก็หาว่าบุญเนี่ยทาบุญไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมาอันนี้คือความโกรธโมโหตัวเองเนื่องด้วยการทาสมาธิต้องอสสาศัยเวลานี่แม่นักบินกว่าเขาจะได้เป็นนักบินเขาก็ต้องมีเั่วโองบิน ที่พอจะเป็นนักบินได้ผู้มีความโกรธหมายถึงโมโหตัวเองว่าทำสมาธิเท่าไรก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาไม่รู้ว่ากี่ผลกี่ครั้งก็ยังงั้นอย่งงางนันเองไม่ทำดีกว่าเพราะความโกรธเป็นต้นเหตุทำให้เขายกเลิกสมาธิไปถือว่าเป็นคนแพ้แล้วนี่คื อ, อ, อสมาธิกับการหลงผิด นีมาถึงความหลงอันดับสุดท้ายอันหมายความถึงความรู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงมาเข้าใจว่าเรารู้แล้วซึ่งเป็นอันตรายต่อสมาธิเป็นอย่างยิ่งคำว่ารู้ไม่จริงก็คือเข้าใจตัวเองว่าตัวเราสำเร็จชั้นนั้นชั้นนี้โดยไม่มีเหตุผลแบบเดียวกันกับหลวงพ่อ รู้ไม่จริงตั้งแต่เป็นเนนเราจะอวดว่าเราเรียนภาษาอังกฤษเ <c oughs> เขามาบอกสามตัวเท่านั้นเราก็ว่าไปพูดรู้ไม่จริงอะ่ะเจอเขาเขียนว่าเม d ดอินอย่างเงี้ยเม็ดอินเท่านั้นเองเราก็ว่าไอเม็ดอินเนี่ยมันคือเยอรมันว่าก็ไปนั่น แท้ี่จริงไอท้ที่ทงเขาเขียนไว้ว่าเขียน ว, ว่าพมา่าเขาก็หัวล้อเอาสิหัวล้อหลวงพ่อเออเนนนี่ประหลาดเมดอินก็แปลว่าเยอรมันอย่างนี้ทีนี้พอเวลาที่คนทำสมาธินี่รู้ไม่จริงด้วยว่าสมาธินั่นพอจิตสงบเย็นลงก็เหมือนกิเลสหมดแล้วแต่นั่นเพียงระงับไว้ชัว่วคราวเท่านั้น แค่ทีจริงกิเลสยังอยู่เมื่อเข้าใจผิดก็เกิดหัวตัวขึ้นว่าเราได้สําเร็จชั้นนั้นชั้นนี้แล้วพอจิตเสื่อมลงก็มารู้ทีหลังว่าอ้าวเรายังไม่สําเร็จแต่สายเกินไปแล้วเพราะว่าไปเป็นอาจารย์เขาแล้วอันนี้ต้องระวังหนักหนาเมื่อตัวเราหลงผิดแล้วยังชวนคนอื่นให้หลงผิดไปด้วย ถ้าหากว่าผู้หลงผิดกลายเป็นอาจารย์สอนสมาธิจะไปพาสิทธิของเขาอาจจะมีจํานวนมากหลงผิดตามไปด้วยการหลงผิดชนิดนี้เป็นการหลงผิดตรงความสบายหรืออาจจะพูดได้ว่าหลงฌานเพราะเมื่อผู้ได้ฌานแล้วศรัทธาเชื่อถือความเชื่อจะทราบซึ้งมากและเชื่อแบบเต็มที่เมื่ออาจารย์สอน ได้ผลขั้นนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกินอยอด ก, กว่าเชื่ออาจารย์เต็มที่แลเพราะอาจารย์พาให้ได้สมาธินี่ดังนั้นถ้าหากว่าเกิดการหลงผิดโดยขาดกัญญาณมิตรอาจารย์ที่ดีกว่าช่วยแนะนำอาจจะพากันผิดไปถึงมีการฆาตกรรมตัวเองเป็นหมู่เป็นกองขึ้นมาได้หมายความว่าพวกเขาได้หลงผิดแบบสุดตัวอันนี้ เขียนเอาไว้เพื่อเป็นข้อตักเตือนนะฮอย่างไรก็ตามการที่จะเป็นเช่นนี้คงมีน้อยมากในบรรดานักสมาธิแต่เมื่อผลทางมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็มีคำเตือนไว้ในที่นี้แล้วว่าเมื่อเกิดความสุขสบายเป็นชานแล้วต้องอย่าลืมถามในสมาธิว่าใครคือผู้รู้คำถามนั้นจะฝังอยู่ในใจ จนเป็นอุปสงค์ก็จะไม่มีการหลงผิดอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> ในข้อนี้ก็คงจะแนะนำไว้เพียงเท่านี้คงจะพอเข้าใจก็คงจะจบเอาไว้แต่ก็ยังจบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กำลังทดลองอยู่กับหลวงปู่มั่นสองต่อสอง ในชีวิตของหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อถือว่าการเดินไปกับท่านผู้มีพลังจิตอันสูงและท่านผู้เป็นปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่และเราก็ในสมัยที่เดินตามหลังท่านไปนั่นอายุยี่สิบสองปีกับสองเดือนอว่ากันไปงานกันแด้กันคือยี่สิบสองปีกว่า <c oughs> มันรู้สึกตื่นเต้น แล้วในขณะที่เราเดินเนี่ยมันเป็นหนทางหกสิบกิโลเมตรมันก็ไม่แ็กน้อยแต่เราเดินวันนั้นสามสิบกิโลเมตรก็รู้สึกว่าเดินเนี่ยเหมือนกับเราเดินเนี่ยนะมันเออท้าเราเนี่ยเหมือนมันไม่ติดไม่ติดดินเดินไปก็เหมือนกับมันไม่ติดดินอันนี้จะเป็นเพราะปีติหรือเป็นเพราะพลังจิตของท่านหรือเป็นเพราะอะไรก็สุดจะเดาได้ บอกว่าเดินท่านก็เดินเราก็เดินท่านก็เหมือนกันกับท่านแต่เดินช้าช้เราก็ก้าวเจ็มเหนียวอย่างเงี้ยนี่ก็เดินไปแล้วทีนี้เขาเรียกว่าเอทุ่งจำปานาแกตรง น, นั้นโอ้ยมันไม่มีต้นไม้เลยเดินตากแดดไปอย่างเงี้ยอ่ <c oughs> ก็ไปสุดทุ่งพอดีพอไปสุดทุ่ง บอกวิริย์เฮ้ยนอนนี่นอนนี่อ เ, นเออบอกว่าหลวงปู่ครับหลวงหลวงพ่อไม่ได้เรียกท่านเป็นหลวงปู่แล้วก็ไม่ได้เรียกท่านเป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อเรียกท่านเป็นอาจารย์ครับอาจารย์ครับเอาตรงนี้เหรอเฮ้ยตะวันมันเกือบตกดินแล้วเนี่ยเอาตรงนี้แหละทีนี้ไอ้คนบ้าคนนั้นอะ่ะ มันก็เอาของไปวางแล้วมันหายตัวไปไหนไม่รู้เฮ้เนี่ยมันหาบแล้วมันไปวางวางแล้วหายไปเลยเฮ้ยมาประเันของให้หน่อยไม่มียอมก็ไม่มีตบลงบอกนี่เอมันมีกระท่อมล้างท่านบอกชี้กินไปกระท่อมให้หลวงพ่อไปกลางกดให้ท่านผนกระท่อมท่านก็ไปเอาของไปเสร็จล้วก็จัดการเอ แล้วก็บนใหญ่เลยแม่ไอหมอนี่นะพอมาถึงมันหนีได้เดี๋ยวจะต้องตามไปจับตัวมันมาทุบสักสองสามทีมาถึงแล้วมันน่าจะต้องเออนี่มานี่แล้วมาช่วยกันตรงนี้อะเดินมาด้วยกันนะ่ะแล้วก็บนมุมงอมอยู่คนเดียวท่านด้ยินเขานี่วิญญาณแกว่าอะไระมานี่มานี่ ก, ก็เรียกร้องพ่อว่าบอกว่ า, วาไอ้นั่นน่ะมันสมควรไหมที่มันจะหนีไปอ่ะมันมันสมควรที่จะอยู่ช่วยกันอทําอะไรต่ออะไรเรียบร้อยทางเดินยังกรมทำอะไรเรียบร้อยมันค่อยไปเอหรือยังนี่ยังไม่มีสติหรื อ, อผมก็มีสติอยู่ครับมีสติอะไรได้เนี่ยแกไปว่าคนบ้าเอ แกก็คือบ้าคนบ้าก็ไม่ได้ว่ามันทําให้แค่นี้ดีแล้วจก็เลยจับตัวมันให้แทะมานั่งซะบอกว่าคนเรามันมีหลายประเภทคนประเภทนี้ควรพูดอย่างนี้คนประเภทนี้ควรพูดอย่างนี้สําหรับไอ้คนนี้ไปพูดก็มันได้ยังไงนะว่าไงพอมาจบกันตรงนี้ อาจารย์คะจีจะขอถามเกี่ยวกับการใช้สมาธิรักษาโรคนะคะนานมาแล้วนะคะเคยได้ยินว่าการใช้สมาธิรักษาโรคนั้นผู้ที่รักษากับผู้ที่ได้รับ ก, การรักษาดั้งจะต้องเคยได้มีการเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีตชาติการรักษานั้นจึงจะประสบผลสําเร็จคือโรคที่รักษานั้นจะหายขาดได้<ม>แต่ถ้าหากว่าไม่มีการเกื้อกูลมากันตั้งแต่อดีตชาติแล้ว กรักษาโลกนั้นเ อ, อจะเพียงเป็นการได้แค่บัญชาโลกนั้นจะไม่หายขาดไม่ทราบว่าคำกล่าวหรือคาที่เคยได้ยินมานี้นั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร <c oughs> อันนี้ก็ก็มีส่วนอยู่บ้างแต่แท้ที่จริงแล้วพลังจิตคือพลังจิตยาคือยาแม้ว่าจะเคยสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กันนั้น พลังจิตเป็นผู้ที่จะรักษาอยู่แล้วเพราะว่าพลังจิตนั้นมันเปรียบเหมือนตัวยาเพราะฉะนั้นด้วยพลังจิตถึงแม้ว่าในอนิตจธาตุจะเคยอุปถมัมภ์และไม่อุปถัมภ์พลังจิตสามารถที่จะทําหน้าที่ได้เต็มที่คิดว่า น่าจะเช่นเดียวกันต่อไปขอเชิญคุณอุมาพรศรีสุบรรณนมสการพระอาจารย์การใช้สมาธิรักษาโรคะจะเกิดผลดีและผลเสียต่อผู้รักษาโรคอย่างไรบ้างการรักษาโรคด้วยพลังจิตนั้น ที่รักษ า, าจะเป็นผลเสียอย่างหนึ่งคือพอรักษาหายมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นหมอลืมทำสมาธิแล้วก็เลยพลังจิตก็เลยหายไปหายไปไม่พอเพียงที่จะใจ้แล้วก็ผลเสียอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าคนนั้นอะ ต้องการอยากจะทำวิปัสสนาต่อไปพลังจิตก็เลยไม่พอใช้อย่างนี้คือผลเสีย <c oughs> และอ้าหากว่ามากขึ้นไปกว่านั้นพอรักษาหายมากเข้าแล้วก็เลยคิดหาผลประโยชน์ เ, เลยกลายเป็นวงการธุรกิจไป ท, ทีนี้นละเสียหายเยอะ <c oughs> แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการรักษาถ้าเป็นพุทธที่มีคุณธรรมเอเป็นพุทธที่มีคุณธรรมแล้วก็รักษาให้แต่เฉพาะพอประมาณเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ให้คุณมากเพราะว่าคนที่ป่วยนั่น อาจจะเป็นบิดามารดาอาจจะเป็นลูกที่รักอะไรอย่างเนี้ยเมื่อไปทําให้เขาหายได้เขาก็เกิดความนับถือขึ้นมาอีกมากมายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือส่วนดีส่วนดีคงจะมีเยอะแต่ว่าส่วนที่ไม่ดีนั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วถ้าหากว่า รักษาไปด้วยหวังผลประโยชน์ก็คงจะไม่ดีตรงต่อท น, นี้นะต่อไปขอเชิญคุณบุระีชาวปริชานมัศ ก, การพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงมีปัญหาหลายข้อนะเจ้าค่ะแต่ว่าอยากจะเอาข้อที่คาใจมานานซึ่งหาพระอาจารย์องค์ไหนก็ยังได้คำตอบไม่ถูกใจ หลวงพ่อเจ้าคะสมัยผู้จัดการนะคะมีอิทธิปฏิหารเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งทั้งที่จิตใจมนุษย์สมัยนั้นสิีเชื่อว่ายังไม่มีกิเลสบาปสะสมมากแต่ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์นำโลกในขณะที่จิตใจมนุษย์ก็ไม่ได้พัฒนาก้าวหน้าไปเหมือนวิทยาศาสตร์ดังนั้นอิทธิปฏิหารทาไมไม่เกิดขึ้นมาให้เหตุประจางแย่ ชี่ชัดลงไปให้ปรากฏให้เห็นว่าคนชั่วย่อมได้รับโทษเพื่อให้เกิดความกลัวไม่กล้าทำชั่วมากขึ้นจนเป็นความเคยชินเช่นปัจจุบันตัวอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อนมีข่าวอื้อฉาวพระหนุ่มรูปหล่อสร้างภาพให้มวลชนเข้าใจว่ามีบารมีสูง อนุภาพอุ ป, ปมาด่างพระอาหารหันต์แต่ก็ต้องให้ประชาชนและกฎหมายจัดการถอดถอนออกจากเพศบรรพชิตและเดี๋ยวนี้อดีตพระรูปหล่อองค์นั้นก็หนีกฎหมายไปอยู่ลอสแอนเจลิสเมืองแซนดิเอโกเปลี่ยนตัวเองห่มจีวรเหลืองไว้คิ้วเหมือนพระในรัฐิลังกามีอาชีพพาคนไทยที่ยังมีความเลื่อมใสศรัทธาไปเที่ยวซีโว นี่คือตัวอย่างทางธรรมมาศาสนาส่วนตัวอย่างทางโลกก็คือนักการเมืองบางกลุ่มปากบอกว่าทำเพื่อชาติประชาชนท้ายสุดก็กินบ้านกินเมืองพาตัวเองให้เข้าไปอยู่ในยุคไอเอ็มเอฟประชาชนหน้าดำเป็นหมด อ, อันนี้คงจน ะ, ะนอกเรื่องไปหน่อยไม่น่าค่ะ ดังนั้นดังนั้นทําไมอิทธิปฏิหารไม่เกิดเร้่องเกรกะจกักระจะเพื่อให้ศรัทธาความเชื่อในเรื่องศาสนาที่ลดน้อยถอยลงได้กระเตื้องขึ้นสิ่งเหล่านี้เบื้องบนไม่คิดจะทําอะไรลงไปบ้างหรือเจ้าคะจิตอยากฟังความคิดเห็นของพระเดชพระคุณผู้อาจารย์ตอบให้เข้าใจบ้างกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ไม่เห็นปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม คนไทยจะมีโอกาสได้เห็นปาฏิหาริย์ใหม่ในปี2000นี้ตามที่นอสตาเดมุสได้พยากรณ์ว่าจะเกิดอาเพศกับประชาโลกกับขอบพูณท่านอาจารย์ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าจิตใจของคนเราเนี่ย <c oughs> ต่างคนก็มีความคิดเห็นแต่ความคิดนั้นมันต้องเกิดขึ้นจากเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเหตุก็คือสิ่งคือความไม่พอใจนะความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี่มันก็อยากอยากจะพบสิ่งที่พอใจก็คงตอบได้เท่านี้อย่างอื่นคงไม่ตอบนะต่อไปขอเชิญคุณอุราสิริเลิกรัตนา กราบนมัส ก, การหลวงพ่อขอกลาบเรียนถามพระอาจารย์หลวงพ่อเกี่ยวกับข้อสงสัยในเรื่องพลังจิตนะคะคำถามจำเป็นต้องถามต่อเนื่องกันสามข้อจึงต้องขออภัยกับผู้อื่นที่อาจยินเวลาของท่านไปบ้างนะคะข้อหนึ่งพลังจิตที่พวกเรากำลังฝึกอยู่นี้โดยการทาสมาธิเป็นพลังจิตเช่นเดียวกับพลังจิตที่ใช้อ่านใจใช้ทำนายเหตุการณ์หรือใช้ทาลาย หรือไม่เจ้าคะข้อสองถ้าเป็นพลังจิตประเภทเดียวกันพลังจิต ท, ที่มีอนุภาพสูงขนาดนั้นพวกเราสามารถจะฝึกได้หรือไม่พราลูกศิษคิดว่าหากสามารถฝึกได้พลังจิตประเภทนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนมุลชาติอย่างน้อยใช้ในการรักษาโรคนะคะเพราะว่ามันสูงมากข้อสามถ้าหากไม่เหมือนกันพลังจิต ท, ที่มีอนุภาพสูงขนาดนั้นเป็นพลังจิตชนิดใด แล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าคะตัวอย่างของพลังจิตที่มีอํานาจทําลายอ่านใจและการทํานายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ห้องตรงข้ามประตูปิดหมดสามารถอ่านใจของอีกคนหนึ่งซึ่งกนานําลังวาดภาพอยู่ได้ว่าเขาวาดภาพอะไรเขียนอะไรอยู่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดในรัสเซียนะคะชื่อยูริสามารถใช้พลังจิตในการหักงอโลหะเช่นช้อนซ่อมได้ ขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายด้วยเจ้าค่ะเอ่อพลังจิตที่เราฝึกกันอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> เราโดยจุดมุ่งหมายต้องการให้เป็นพลังจิตที่สามารถควบคุมตัวเองได้คือทุกวันนี้การที่เราที่มนุษย์ทุกคนทุกวันทุกวัน เราใช้แต่พลังจิตไปทุกวันทุกวันแต่เราไม่เคยนาพลังจิตนี้กลับมาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้พลังจิตนี้เกิดการเสื่อมสภาพพอเสื่อมสภาพแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจเราเองได้เมื่อควบคุมไม่ได้แม่ก็เกิดความเครีย พอเกิดความเครียดก็จะต้องระบายความเครียดนี้ออกไปก็เป็นอันตรายใหญ่หลวงเพราะความเครียดอันนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยานานับประการด้วยเหตุดังกล่าวหลวงพ่อจึงได้จัดโรงเรียนหรือครูสมาธิขึ้นเพื่อที่จะสามารถทําพลังจิตให้แก่ตัวของเราเอง และเพื่อจะได้มาเป็นเครื่องไม่ให้มันเกิดการเสื่อมสภาพของพลังจิตเพิ่มพลังจิตมาให้แก่ตัวของเราเองให้ตัวของเราเองนั้นได้รับความสุขหรือว่าคลายความเครียดเมื่อเราคลายความเครียดได้แล้วเราก็จะนำหลักวิชาการอันนี้ไปเผยแพร่ให้แก่ มวลมนุษยชาติหรือคนอื่นต่อไปเพื่อที่จะได้นำพลังจิตนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเขาเมื่อคนที่สามารถเพิ่มพลังจิตให้แก่ตัวของตนเองได้มากขึ้นเป็นสังคมที่กว้างขวางก็จะบังเกิดความสุขขึ้นมาแต่การที่เราจะไปรักษาโรคก็ดีหรือไปทำอะไรอื่นก็ดี รือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ได้ส่วนเกินมาก็หมายความว่าโดยจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิในที่นี้เราก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ชาติที่เราจะพอทำได้แต่ถ้าหากว่ามันจะได้มากไปกว่านี้ก็อาจจะมีเป็นบางคน เท่านั้นที่จะสามารถอทําขึ้นไปจนกระทั่งมีการรักษาโรคบ้างอะไรบ้างแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นต้องการอยากจะให้ตัวของเรานี่ได้รับประโยชน์แล้วก็คนที่รอบตัวของเราได้รับประโยชน์จากพลังจิตนี้ขอตอบข้อนี้ไว้ขอบพระคุณ <c oughs> อ่าต่อไปรับเชิญคุณเอออุไรวันทาลี การหลวงพ่อนะคะลูกมีคำถามที่จะถามหลวงพ่อสองข้อข้อแรกเป็นข้อสั้นๆก็คือที่หลวงพ่ อ, อ, อได้สอนสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการรักษานะคะแล้วก็ลองไปทดลองใช้ครั้งแรกเนี่ยก็กำหนดจิตแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่ากำหนดจิตคือผู้ป่วยเนี่ยเจ็บไหลนะคะ เจ็บลายก็เลยกําหนดจิตให้เป็นลําแสงสีเขียวพอเกิดกําหนดจิตแล้วก็เห็นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะลําแสงมันต้องใหญ่ขนาดไหนจิตก็เลยวอกแวกะฮก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลได้เท่าที่กวดพอวันที่สองก็เลยลองใหม่ก็กําหนดจิตเป็นคนที่อ่านตาราหลวงพ่อก่อนแล้วก็ไปทำนะฮะแล้วก็ เลยกำหนดให้เป็นเหมือนกับลาแสงเลเซอร์นะคะทีแรกก็ส่งไปแล้วก็นึกเอ๊ะถ้าเกิดว่ากำหนดจิตให้เห็นไอ้ต้นเหตุของของความเจ็บเนี่ยก็น่าจะดีกว่าก็กาหนดจิตให้เห็นแล้วก็ใช้ลาแสงนั้นรักษาก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าวิธีนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะอะ่ก็ถูกต้องแล้วมีตำรายแล้วเนี่ย จะทำไปอ่ะถ้าหากว่าสสำเร็จยังไงก็นมาบอกกันแล้วกันอันนี้ตำลาของเราไม่มีของเราไม่ได้หวนดิคติถ้าขอถามหลวงพ่อสิ่งที่ติดใจมานานอีกข้อหนึ่งนะคะอ้าวถามก็ได้คนที่มีปรากฏการณ์ทางจิตมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ การถอดกายได้ที่ทําให้มีเกิดการเรียนรู้ทางจิตนะคะว่าเ อ, อจิตใจทําให้เห็นประสบการณ์ทางจิตหรือว่าการเห็นอดีตชาติอะไรต่างๆนานานเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสมาธิเนี่ยมีสองอย่างคือสมาธิที่เป็นธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติกับเกิดตามธรรมชาติกับสมาธิที่เราฝึกมาเนี่ยไม่ทราบว่าปรากฏการณ์เนี่ยเ อ, อมันเกิดจากพลังของสมาธิอะไรหรือว่า สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเราสามารถจะควบคุมการเกิดของการเรียนรู้ทางจิตอย่างนี้ได้อีกหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ความมหัศจรรย์ทางจิตมากอันนี้เมื่อกี้นี้ฟังหลวงพ่อสอนก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเกิดความมหัศจรรย์ทางจิตเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีไม่ได้เกิดในระหว่างทําสมาธิเนี่ยเขรู้สึกว่า เราได้เรียนรู้ชีวิตเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดจากจิตเนี่ยมากเลยข อ, อกลาบเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่าข้อที่หนึ่งเราจะควบคุมมันได้ไหมข้อที่สองเนี่ยการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ทางจิตมากๆเนี่ยมันมันเป็นกิเลสหรือเปล่าเพราะว่าความจริงอยากให้เกิดบ่อยๆเพราะมันก็ดี<อ>มันได้เรียนรู้มากๆพุทมากไปแล้วก็ย่อใจความได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะต้องกลับมาถามผู้รู้ ดิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะหลงไปก็ได <c oughs> ้ตั้งอุปสงค์ไว้ในใจว่าเวลาทำสมาธิต้องถามควารู้ไวเ้เสมอเสมอแล้วก็คำตอบมันจะออกมาเองว่าที่เราทำนั้นผูกพิน